ปัญหาที่ส1อถามถึงผู้ที่ไปอุตรากุรุทวีปและสวรรค์คาแต่พระนาคเสนผู้ไปสู่อุตรากุรุทวีปหรือพรหมโลกหรือไปทวีป อ, อื่นด้วยกายนี้มีอยู่หรือขอถวายพระพรมีอยู่ข้อนี้คืออย่างไรพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพร มหาบอพิษเคยกระโดดที่แผ่นดินนี้ได้คืบหรือศอกอโยมเคยกระโดดได้แปดศอกขอถวายพระพรมหาบอพิษกระโดดอย่างไรจึงได้แปดศอกพอโยมคิดว่าจะกระโดดกายของโยมก็เบาโยมจึงกระโดดได้ถึงแปดศอกข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบอพิษ คือภิกษุผู้มีฤทธิ์มีอำนาจทางจิตภาวนาอธิฐานจิตแล้วก็เหาะไปสู่เวหาดได้ถูกแล้วพระนรักเสน